เท็จเป็นจริงอย่างไรเรื่องกายเรื่องจิตใจเห็นกายก็ไม่ใช่เห็นเป็นอืผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมาอหัวใจตับปอดฟังปืช ใ, ใหญ่ใช่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอะ น, นั้นไม่ใช่เห็นจิตก็ไม่ใช่เห็นหัวจิตหัวใจเห็นวิญญาณวันท่องเที่ยวไปอนนั้นก็ไม่ใช่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 อะไรที่มันคิดขึ้นมาให้รู้ทันมันจะเข้าไปอยู่ในความคิดความคิดเนี่ยมันมีสารพัดอยา่างแปดหมื่นสี่พันเรื่องเรื่องกายเรื่องใจเราก็ดักดูดักเหลนอะไที่มันคิดรู้สึกความคิดมันมีอยู่สองลักษณะตั้งใจคิดและ มันลักคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจตอนนี้เราไม่ได้มาตั้งใจคิดเรื่องใดหรอกเรื่องการเรื่องงานเอาไว้ก่อนกลับไปจะค่อยไปทำบางทีเราหาคําตอบจากความคิดเสมอไปอางทีไม่ใช่หาคําตอบจากความคิดเรื่องความคิดก็ตั้งหากเรื่องการกระทําตั้งหักบางอย่างต้องทําไม่จําเป็นต้องคิดก็ได้ ให้เห็นความคิดที่มันโดยพราะมันลักคิดอ่ะอันนี้เราให้หลงได้ง่ายกว่าหลายเอย่เรื่องของกายก็ไม่ค่อยหลงหรอกแต่เรื่องของความคิด่ถ้าให้หลงกายกายนี่ไม่มีเหตุปัจจัยที่พาให้หลงความคิด่แต่ความคิดพาให้หลงกายเป็นเรา อาชันิมิตคือการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวของกาย เ, ยเป็นนิมิตสิ่งที่พาให้หลงการเคลื่อนไหวคือความคิดมากไม่ไมากเวทนาคือความปดความเมื่อย อ, อารมณ์เรียกว่ากรรมเรียกว่าทำทำที่มันทําให้ที่เป็นกุศลอกุศลพาให้หลงสติอะ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 สอนให้ลูกแต่ว่าสอนให้เห็นสอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเราสอนให้เห็นสอนให้เป็นทําให้เป็นมันคิดเรากลับมาให้เป็นมันหลงเรากลับมาลูกให้เป็นนะมันสุขเราเห็นความสุขเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในความสุขทําให้เป็นมันทุกข์เห็นความทุกข์เดี๋ยวเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ทำให้เป็นออกมาดูออกมาเห็นให้มันเจงทางน yeah. lim ี้นะ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 แต่ว่าการสุขการทุกข์น่ะทำไร ม, มันสุขมันทุกข์เราเปลี่ยนไม่สุขไม่ทุกข์น่ะมันลงเราเปลี่ยนเป็นตัวลู้น่ะมันผิดเราเปลี่ยนเป็นทุกข์น่ะอันนี้เราต้องช่วยตัวเราให้มากมากเรียกว่าภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทฤษฎีนะเป็นภาคปฏิบัติ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 เกื่อนร้ยต่างๆมันไม่พอเรารีบเราเร่งเราปวดวิชาเราต้องขยันภาวนาข ย, ขยันขยันลูกขยันลูกเอาไว้จังหวัดสิบสี่จังหวัด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 เดินจงกรมเนี่ยเดินกลับไปกลับมากลับไสทีกัขบขอบ้อทีจะให้ยาวเกินไปจาให้สั้นเกินไปบางทีก็ชา้าบางเทีก็ไวแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแต่มันง่วงก็จะอ่อนเนี่ยเดินปุกเท่าชุกุกชุกเข้าไปให้ชัดเจนกับการเดินถ้ามันเกิดเวทนามากเวทนามันรุนแรง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 คลิปตาใหม่มองใหม่คลิปตาใหม่มองใหม่เพื่อให้มันชัดเพื่อให้มันได้ความคมสติผมก็วโอกาสดมให้มันเห็นชัดเห็นความหลงชัดเห็นความรู้ชัดพาทีมันไม่เห็นความหลงความหลงก็หลอกอยู่นั่นแหะสิบนาทียี่สิบนาทียังหลอกอยู่นั่นแ่ะถ้าไม่เห็นความหลงชัดเจนความหลงก็หลอก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 วิธีนั่งนี่ยการสร้างสติโดยวิธีนั่งบางทีมันก็สําหรับบางคนไม่มีกําหนดว่านั่งนานเท่าไหร่เดินนานเท่าไรไม่กําหนดไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะต้องดูแลตัวเองนั่งเท่าไร่เดินเท่าไรความเหมาะสม แต่ว่าจะให้ความปวดความ ม, วารรม้วยพาทำพายุดความขยนันพาทรรมความขี้เกียดพายุดเราจะต้องมีเกตนา <c oughs> มีเกตนามีเกตนาทําปยกมือก็เกตนายกไม่ใช่ทาเล่นๆ อ, อยากทำก็ทำอยากหยุดก็หยุดให้ความคิดพาธทม บางทีมันคิดจะลุกลุกไปตางความคิดมันคิดคิดจะเดินก็มันคิดจะนั่งนั่งไปตาม ค, ตวความคิดอะไรก็ตามบางทีความคิดเนี่ยอยากให้มันออกหน้าเป็นไปให้ให้สติมันนําจะลุกก็เจตนาลูกสึกตัวลุกจะนั่งก็เจตนาลูกสึกตัวนั่งจะเดินก็เจตนาลูกสึกตัวเดินจะหยุดก็รู้สึกตัวที่จะหยุด นะแม้ความคิดมันมีก่อคิดจะลุกก็ต่อว่าอยากให้ความคิดมันสั่นันก็ว่าเราคิดเป็นตัวหนั่งตัวนั่งนี่ตัวหนังหน่ ง, ต, งตัวสตินี่เป็นอันน่เราจะลุกของเราเองนะลุกโดยความรู้สึกตัวอาจให้สตินำนะอันที่ความคิดมันนำแต่พื่อะเิดไปก็ ไม่ใช่สติต้องมันมาก่อนก่อนพูดก่อนทาก่อนคิดจึงจะเป็นคุณค่าของสติดูให้ดีๆนะกำแยบกําชาตัวเองให้ดีๆการใส่ใจการเจตนาการสร้างสติจับให้มั่นขั้นให้แนีวคอาหลงกวามโลูกความหลงชัดมันลูกกับลูกความรล้ลชัดเป็นคนละมุม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 กำนดจเราสาธิตสอนกันแล้วเป็นนิมิต ท, ที่เราใส่แล้วเราไต่สะพานจับเปล่าพอเราไต่สะพานเราได้จับเปล่าเดินไปมันจะเซไปมันจะหลาไปทั้งนั้นก็จับเล่าวไว้แล้วก็มันก็จับได้มันก็ใช้ได้ปล่าเปล่าสะพานที่เราไตา่ ลงบันไดมีร <c oughs> าวบันไดช่วยได้นิมิตนี่ก็ช่วยได้อย่าวางมันหลุดไปแล้วก็ควยจับใหม่บางทีมันก็หลุดไปก็จับใหม่อย่าปล่อยไปเลยการหลงไม่ใช่เหมือนกับไต่าราวสะพานความหลงมันก็มีอาสายท่าจนให้หลงก็มีเยอะ เป็นความพอใจในความหลงหาเรื่องที่จะคิดรู้เนี่ยมันตั้งอยู่ได้ไม่นานบางทีอาจจะไม่เคยฝึกอดู่กับความหลงสมาทานกินกับความหลงไปแล้วเี่ยวกับอารมณ์ใจก็จิดใจก็ไม่อารมณ์ไม่ได้ว่างไม่ได้สร้างซาจากอารณ์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 ความพ้งสั้นจะมีก็รู้สึกตัวความง่วงก็รู้สึกตัวะแล้วความง่วงพาให้ง่วงความหลงพาให้หลงความผิดพาให้ผิดมันก็ไม่ใช่ปฏิบัติแต่ง่วงหต่ง่วงกันแหละหลับตาสับงระงอหลับอยู่นั่นหละไม่รู้สึกตัวไม่เอาความรู้สึกไปเกี่ยวข้องมองให้มันเป็นสองฐาง มมงกับความไม่ม่วงความผิดกัความไม่ผิดความโกรธกัความไม่โกรธความหลงกับความไม่หลงความทุกข์กับความไม่ทุกข์มองแบบหน้ามือหลังตรงกันข้ามเหมนสิทธัตถ์ได้หลักคือเห็นเกิดเห็นแก่เห็นเก็บเห็นตายก็มองตรงกันข้าดแล้ว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 ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแต่ความหลงเนี่ยมันไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเราจะไม่มองเราจะไม่ทำให้ชัดเจนเท่านี้จะทำไมได้หรือความโกรธความทุกข์เนี้ยมันไม่มันไม่ลึกลับเหมือนกับความเกิดแก่เจ็บตายความโกรธความหลงความโลภความรลอความชังมันกับชิตลิดนิดเียว เรายังหลงอยู่สิบนาทีแล้วนี่สิบนาทีแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วยังหลงอยู่ยังหมกมุ่นคนคิดอยู่เราอ่อนแอถึงขนาดนั้นต้องกลับมาให้ไวมันกลับปฏิคือกลับปฏิบัติคือกลั บ, บ, ลบมากลับมาหาที่ตั้งอจังว่าตั้งไว้ที่กายจังว่าเคลื่อนไหวตั้งไว้ควาคิดไปผู้เีลอง คิดไปเชียงมคิดไปกรุงเทพคิดทังโลกอ ะ, อะไรก็ตามกลับมาบางทีปัญหาคําตอบจากความคิดทําไมทําไมทําไมอยู่เรื่อยไม่ต้องแล้วนี่เจ็ดวันเนี่ยเราไม่ต้องเมรัยมาทําเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องอื่นที่มันสอดมันมาจะผหลั่มเข้ามาาไม่เกี่ยวออกมาสร้างความรู้สึตัเรามาทําเรื่องนี้มาปฏิบัติ บ, บางทีหอบ ออบออบความคิดหอบการบ้านมาอะไรไม่เอาเอาไปขอบบางทีเราทําตัวนี้อาจจะเสร็จตัวนู้นไปเลยะความโกรธความเครียดแค้นบาทีมาทําตัวนี้อาจจะหายไปเลยอม่ใช่ไปหาคำตอบทำไมทํำไมจึงทํากับเรามันว่า จ, จะทําอย่างนั้นไม่น่ า, า จ, จะทํานี่อาจารย์ไปพูดอย่างนั้นลงไปพูดอย่างนี้อาจจะไม่ต้องพูดอะไรมันจะจบไปเลย <c oughs> ทำสติอย่างเดียวจบไปร่อยเรื่องปัญญาถูกไปร่อยเรื่องปัญญาฉเฉลยไปได้ร่อยเรื่องปัญญาฮะ่าแต่มาตั้งต้นจากตรงนี้ให้เป็นความรู้สึกตัวลองดูนะว่าจะมีจริงไหมอ่าสินสมาที่ปัญญากาจัดกิเลสได้จริงไหมสตินี่ทำให้เป็น มานดาของความดีทั้งหลายได้จริงหรื อ, อความหลงทำให้เป็นมานดาของความผิดได้จริงๆริงไหมมาดูจะได้คมตอบอเอาไปเอามาก็จะเห็นโอ้มันไม่มีอะ ไ, ไมีแต่ความหลงกับ ค, ความรู้นี่แหละเอาจริงจริงแล้วไม่มากหรอกนะทำใหม่ๆมันกับปูกับปูใช้กระดุกตะคบโน่นตะคบนี่ ออทำไปทำไปทำไมมันไม่มีอะไรมากมีแต่ตัวลูกกับตัวหลงแล้วตัวหลงก็ไม่ใหญ่โตอะไรทำง่ายแั่ตัวลูกง่ายกว่าตัวหลงด้วยซ้ำฝันบาทีเราไปกลัวความหลงเอาจริงเกงแล้วมันไม่ไม่น่าตัวความหลงหายใจเข้าก็แก้หลงได้แพลิกมือขึ้น่อก็ความหลงกดดีไปแล้วอแต่ว่า มันก็ยิ่งใหญ่สําหรับคนที่ไม่มีสติปนกะปิดซ่อนเล่นนั่นแต่เราดูดีๆไม่แต่ตัวหลงกับตัวลูกแล้วก็ตัวหลงกับตัวลูกใครเป็นคนลูเราเองคนอื่นลูกให้เราไม่ได้ถ้าไม่มีสติจะไม่เห็นตัวหลงเพราะคนอยู่กับความหลงจะเห็นความหลงได้ยะคนไม่มีสติ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 คนที่ไม่เมาทั้งหากเห็นขดเป่าคนที่มีสติบางทีคนพูดคนรู้ียาก็รู้โอ้ขาดสติขาดสติมันเราลองสร้างตัไเอด้ว ย, นะวยมันรับดวงตามาลืนตามาดูตัวเองอเหมือนสองกระจกมันก็มองกลับมาหาตัวเรา มองไปข้างหน้าแต่มันกลับม า, าตัวเราความรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นอะไรทุกอย่างกลัวที่จะรู้สึกตัวได้เนี่ยโอ้มันก็ผ่านมาหลายแล้วฮะมันผ่านอะไรเยอะแยะมาแล้วพอที่จะมาพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวยกมือรู้สึกตัวเนี่ยมันผ่านผ่านอากุศลมาก็ได้ผ่านบาปมาะ คนที่จะมายกมือสร้างกี่ว่ารู้สึกตัวมันผ่านบากมาแล้วผ่านพลงพลังมาแล้วมารู้สึกตัวเนี่ยนะมันดีแล้วะคนมีความรู้สึกตัวมันก็ละความชั่วแล้วคนมีความรู้สึกตัวก็ทําดีแล้วอคนมีความรู้สึกตัวจิตมันก็จะบริสุทธิ์เพราะมันไม่ไปย่อมอะไรเรียกว่ามันผ่านบากมาแล้วนะคนที่จะมาพิชมือรู้สึกตัว เราความชั่วทําความดีเขาคือตัวนี้แล้วเราไปทำอะไรไหมเรารู้สึกตัวไม่ได้ทําอะไรเลยเรามันมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทําดีแล้วรู้สึกตัวก็ละวความชั่วแล้วรู้สึกตัวจิตมันก็ค่อยสะอาดบริสุทธิ์ไปออกมันไปไปไกลไปไกลไปไ ป, ไ ป, ไปจากความหลงความหลงก็อยู่ไกลถ้ารู้สึกตัว มันไม่รู้สึกตัวความหลงก็อยู่ใกล้ๆถ้ามันของอยู่ใกล้มันก็เจ้ามองไม่เห็นมันมันขนตาแล้วมันมองไม่เห็นความหลงถ้าอยู่ใกล้มันก็มองไม่เห็นหลงก็เฉยอยู่ได้โคลนก็เฉยอยู่ได้อ่ามันอยู่ใกล้ตัวเรามองไม่เห็นเรารู้สึกตัวโอ้มันคนล เ, เรื่องกันเลยนะ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 ก็ไม่เห็นความหลงก็เอาความหลงแหละถ้าโูดสึกตัวไม่กล้าเอาความหลงเพราะ ม, ม, มันไม่ถูกต้องมากๆความหลงแต่เราโลดสึกตัวแล้วไม่กล้าความหลงทีเราตกใจเลยนะตกใจโอ้ยคล้ายว่าคนหัวลุกเราพูดเล่วตัวหลงตัวนี้ก็ผิดศินนะ อาศินอริยการตัดสินอ่ะหลงแล้วก็ผิดสินแล้วแม้แต่คิดที่แม่ได้ตั้งใจที่บรรลกคิดก็ผิดสินแล้วพระพุทธเจ้าต่ัสรูนั้นจะเก่ง <c oughs> ทิสูตทั้งหลายเมื่อเธอคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดทิสูตทั้งหลายเมื่อเธอคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดก็ถือว่าสิ่งของเธอทะลุแล้วด่างแล้วพลอยแล้ว เธอไม่รู้จักสลัดความคิดดันออกไม่มีสติถือว่าศีลของเธอจะรู้แล้วด่างแล้วพร้อยแล้วนี่ศีลปรจรรัาจนะไม่ใช่ศีลศึกไม่ใช่ศีลสังคมไม่ใช่ศีลสมาถา น, นคนที่หมกมุนะ่นคุณคิดน่ะก็เชยอยู่ เพราะไม่รู้สึกตัวแม่แต่ความโกรธก็ยังไม่มันอยู่ก็รอดได้ขํามวันค้ามคืนไม่อยากจะลืมโดยสักคนถ้ากูได้โกรธกูตายกูก็ไม่ลืมอาจจะคิดไปทำนองนั้นอุ้ยมันจะเอาได้ยังไงเพราะมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยผมรู้สึกตัวควมรู้สึกตัวเน่ มันบริสุทธิ์เหมือนอยู่กับพ่อกับแม่อุ่นใจความโกรธั้งคนท้อปั่นอยู่ในอุ้งมือของมานมันก็ดิ้นแล้วไม่แม่ไแล่ะป๋าธีแล้ ว, ลวไม่ต้องมามีใครฮ่ามันเห็นเราจะมาฝึกตัวนี้ในหลักสูตรของเรานะให้มันเจริญเติบโต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 อุชงกายยังตริมุก ข, ขังสติเงวตเปตตวาพระขีนาศกผู้มีสติเป็นวินัยไม่เผลอะระขีนาศกคือพรหังมีสติไม่เผลอที่สุดก็คือสตินั่นแหละแล้วก็ไม่ได้วัดกันเรื่องอะไรแตมาแล้วได้วัดกันเรื่องเพศเรื่อง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 คนละเรื่องกันไปเละเกิดการขัดแย้งเกิดการไปคนละทิศละทางถทะ ล, อลุอันเดียวกันเลยอันเดียวกันเลยรู้อยู่ในละอยู่รู้ในรู้อยู่นีในละรูอยู่นีในละรู้อยู่ในละเอออ่ารูถามกันเรื่องเศรษเหมือนเมืองเดลีเมืองเด ล, ลีเนี่ยตอนเหนือของอินเดียสมัยครั้งโภคา จะถามเรื่องการเจริญสติกันให้สติหรือเปาไม่ีสติหรือเปล่ า, ม, ลามีอยู่หรอไม่อยู่เออจะลงนะจะลงนะเราถามกันเรื่องใหญ่มากเพราะที่นั่นพระพุทธเจ้าแสดงสติปัฏฐานนั่งสุขคนพูดกันเรื่องสติเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นเมืองหลวงปัจจุบันเป็นรีอะไรัดอะไรรัด อะไรรัตตนาหรืออะไรลืมไปทางจากสวัสถีวันสามสี่ร้อยกิโล <c oughs> เรามีสตีนะถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้ต้องหลงก็ไม่รู้ เราจึงมาสร้างนะอะ่ตั้งใจเจตนาเจตนาสร้างถ้ามีเจตนามันแม่นยำนะถ้าไม่มีเจตนาไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ทำเล่นๆไปเจตนาสิต้องยกมือรู้สึกยกคนไว้รู้สึกวางลงรู้สึกให้มันชัดเจนชัดเจนแม่นยำมาแล้วออกจากว้วหานใส่คุนแจ ล็อกกุญแจออกจาก บ, บ้านติดหน้าต่างลำดับติดหน้าต่างเก็บข้าวเก็บของรถคัดเอ า, ใ ส, เเเอาเใส่กุญแจล็อกกุญแจเอากุญแจใส่กระเป๋าชัดเจนแม่นยำถ้าเราทำอะไรที่มันชัดเจนแม่นยกาก็มั่นใจอยู่ตรงไหนต้องไหนโลกนะของอยู่ในบ้านในเรือนเราอยู่กรุงเทพ ของอยู่สุโกโตเนี่ยรู้จักเราอยู่สุโกโตของอยู่กรุงเทพสั่งไว้เอาได้คญแจอยู่ตรงนั้นนะสั่งได้ถ้ามันแม่นย่ามมันชัดเจนเอาทีชีวิตเราพลาดพลาดพลาดพลาดฟังฟังออกจาก้านแล้วเออเราได้ใส่คญแจรหรือเปล่าต้องกลับมาดูอีกนะบางทีก็ไม่ใส่บางทีก็ใส่ แตแล้วก็แย้ไว้ไหนคนแยไว้ไหนตบหน้าตบหลังเอาไปมาก็ลืมไม่รู้เพื่อไม่ชัดเจนไม่แม่นยำหัดใช้ชีวิตให้มันชัดเจนแม่นยำดีๆจะมีประโยชน์มากมายเป็นวงจรของชีวิตเรานะสุขภาพก็ดีสังคมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีดีหลายอยา่างถ้าคนมีสตินะเพราะไม่สิ้นเปลืองพลังงาน มันใช่เฉพาะเฉพาะเฉพาะแต่เราไม่มีเสด็จโอ้ยพลังงานไม่รู้ telescopes. อะไรแล้วหา ย, ยากแต่ก็ความคิดเนี่ยก็เส้นเปลืองพลังงานนะถ้าคนคิดต้องมากไม่มีสาเหตุเนี่ยบางคืนว่าวขวัญกลังวันว่าคิดหมกพ้นคนคิดจบหมดพลังงานนะสุขภาพจะไม่ดีนะเหนื่อยนะนอนก็ไม่หลับดีไม่พัผ่อน นอนก็มีแต่ฝันตื่นขึ้นมาก็หมดเรี่ยวหมดแรงถ้ามีสติมันจะถ น, นอมนะสุขภาพก็จะดีพลังงานไม่สิ้นเปลืองนะใครจะใช้พลังงานให้สิ้นเปลืองก็เฉพาะเรื่องนะใครใช่เฉพาะเรื่องอนะเราใช้เราใช้ชีวิตเราใช้ตาเราใช้หูเราใช้จมูก เราใช้เล่นเราใช้กายเราใช้จิตใจเราใช้ใจหรือว่าใจมันใช่เราถ้าใจมันใช่เราก็ลำบากส่วนมากใจมันจะใช่เราสั่งให้เราพิดนพินรู้ทีนี่ไปตามความคิดไปตามอารมณ์อารมณ์เป็นเจ้าเรือนจิตก็อยู่ในอุ้งมือของอารมณ์ไม่รู้จะกแก้ อารมณ์กับจิตนะก็เลยหมดพลังมาเป็นธาตุนะเป็นธาตุของอารมณ์ใจในมันก็คู่กับอารมณ์ดูดีๆนะดูดีๆนะเรามอง ม, ออมันออกใจในมันบริสุทธิ์อารมณ์มันทำให้เศร้าหลวงพ่อพูดวันก่อนๆใจมันต้องปกติ ปกติเป็ที่อยู่ของใจเป็นบ้านของใจรู้จักไหมรู้จักบ้านของใจไหมในใจเรามีบ้านอยู่ไหมไปชนไหนล่ะเกี่ยวกับความปกติไหม <c oughs> นี่เดี๋ยวอารมณ์ท่องเที่ยวอารมณ์ก็ชวนออกไปจากบ้านนะใช่ไหมอารมณ์ชวนออกจากบ้านนะไปไหนล่ะไปลักไปช่างไปยินดีไปยินร้ อาลมอาลมมันชวนเราแบบมาประพุะมีตังทิศเวทคิดตังตันจะโข อ, อคันตุเกหิอุปยิิเลเสหิอุปยิริติถงพระเจ้าว่านภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายเราเก่าวว่ากิจนี้ประพุทสอนผองใสอยู่เสมอ แต่อุปจิเลตมันทําให้เศร้าหมองจิตของเรามันปกติประพัดสอนบริสุทธิ์อยู่แต่ว่าอาคันตุกะมันจะมาชวนไปทําให้เศร้าทําให้ยินดีทําให้ยินไลนะ่เราก็ไม่สงวนตรงนี้่อยปะเล่เลยหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆว่าโสเพณีกิตเขาเหิ้วไปไหนก็ได้นะเขาเหิ้วไปไง่ายๆ ไม่มีอะไรที่ง่ายไปกว่จิตนะสัมสองที่สุดฝึกจิตแล้วมันก็เป็นอันตรายนล้แต่เป็นเปรดเป็นสุรกายเป็นสัน德拉กเป็นนิรชาญเขาก็กิดนี่แหละมโนปภังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จเขาพใจเราคอยวึกเราเลยไม่ไดวิธีที่ฝึกใจก็คือสตินี่แหละไม่มีอะไรที่ฝึกใจได้นอกจากสติ แต่เรียนรู้อะไรมันก็ใช่ไม่ได้นอกจากความรู้สึกตัวเรามาสร้างความรู้สึกตัวนะการมีความรู้สึกตัวมันทําทุกอย่างมันก็อยู่ในบ้านมืนกัหัดเปกหัดกินมันไม่มีตัวไมตนแต่ให้มันรู้ตรงไหนรู้อยู่เพราะมันรู้มันก็อยู่สอนไปเราก็กำลัารู้มันสอนมันเชื่อกแต่เชื่อกที่ผูก กิจแต่ไอ้แม่นว่ากิจมันไม่มีตัวมีตัวมันก็อยู่ละทะลุสึกตัวนมันไปเราก็ลู่สึกตัวมันก็กลับมาละตัวนี้แหาต้องการสอนกิจพระเจ้าก็เคยฝูกอย่างนี้เคยบอกเคยสอนพวกเราเอกะมรโควิสุทธิยาทางหมายเลขหนึ่งเอกะคือหนึ่งมรคือทางวิสุทธิยาทางไปสู่ความบริสุทธิ์ คือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวทีนี่ก็เลยเขียนไว้ซะใหญ่โตสถาบันสติปัฏฐานสถาบันนั่นหละเพราะมันยิ่งใหญ่ยิงเรื่องของสติเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับชีวิตเราจริงๆริประมาทไม่ได้หรอกนะพอเราจึงพูดแต่ก็เรื่องไหนกันเรื่องอื่นเราไว้ก่อนนะคนอื่นเขาพูดก่อนเรามาพูดเรื่องไหยเรื่องกายเรื่องสติเรื่องไหนเรืรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะ คนะอืน่นไม่ต้องพูดออกโพล่งเลยประสบการณ์เลยเรียนได้รู้ได้เห็นมามากแต่ตรงนี้เจ็บตรงนี้ต้องแน่นอนยอมรับนะพอมาพูดเรื่องสติเนี่ยโ๊้ยหลวงพ่อยอมรับเลยแต่ไม่ก่อนก็นึกว่าตัวเองวิเศษนะพอหลวงพ่อเดียนมาพูดเรื่องสติโอ้แต่ก่อนเราเรีกว่า ไอขี่ก็ บ, บอกไม่ไปผ่ขามแม่น้ำโขงนะมันถือว่าวิเศษอะไปดูอะไรดูออกนะเป็นหมอเศรษฐศาสตร์นะจำได้ก่อนไปเป็นเด็กน้อยอายสุสิบเกดจีสิบเกดปีคนแจ่คนเท่าก็มากราบมาไหว้แล้วก็แล้วว่าเราวิเศษไม่ให้กราบเพราก็กราบให้พ่อกราบเธอลูกให้พ่อกราบขอกราบแม่พอเราเป็นหมอเศรษฐศาสตร์แล้วคนออกลูกออกเต่าไปดูรัฐกัอย่าง โอ้โฮ ม, มาฟัลงพ่อเทียนสอนเรื่องเศรษฐโอ้ยเราจอดละนะฮะอยากให้มันลงนางกันไปเถอะพวกเราคนะคนคนเราครึ่งคนแล้ ว, นนลวผมวงหอลงมาถึงสามสิบปีนะจ๊ลงมาเสียลูนผมร้อยผมดีไปสามสิบปีกอบกู้ขึ้นมาได้แล้วเัยหกสิบหกหกสิบเ็ดปีแลลนะฮะ แล้วรก็ตีตื้นเนาะตีตื้นไหมลึกไหมความหลงมันลึกไหมเอาให้มันตื้นกันวนันตื้นจ น, น Hello, วันโลดซึ่งตัวเป็นเรื่องจะตื่เลยล้ลนนะฮะชีวิต เ, เรานะ่ะความโูภความหลงไม่มากต่อนะอย่าคิดว่ามากนะแต่คิดว่ายากนะความหลงมันไม่ขี่ช่างขี่มากหรอกไม่สตาร์อาวุธหรอกแต่ถือว่าเป็นเรื่องยากโอ้ยทำไม่ได้ไม่ใช่ เยงแใจเข้าหายใ่ อ, ยใออกเป็นตัวรูดอ่ะผมหลงก้อนี้แหละยิ่งเรามาพลิกมือสร้างใว่าหมมันก็ตั้งต้นจากความหลงความหลงมันเหมือนเนื้อมือต <c oughs> ามเนื้อไงความหลงน่งสูงกว่าเขาสูงกว่าเขา <c oughs> ม, มัไหมถ้าจะว่ความหลงเหมือนตรงกลางแล้วมันถ้าหลงมาโกรธก็ได้ถ้าหลงมันโลภ ก, ก็ได้เพราะอยู่ตรงกลางมั น, ม, นมีอํานาจตลอด โคหลงเก่งทุกโคตรหลงเียงโกรธโคหลงเียงอะไรตัวหลงนี่แหละเอาตั้งจริงก็คือตัวหลง <c oughs> ตัวหลงใหญ่นะพี่คิดกับวองหลงคือความรูม้สึกตัวจะไปห้ามให้โกรธไม่ใช่จะไปห้ามม่ใ ห, มหมมให้โลภจะไห้ามไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้เพราะมันมีเหตุตัวนี้เรามารู้สึกตัวเรามารู้สึกตัวตัวหลงนม่ไม่ต้องสู้เลยไม่ให้มันไม่มีเยอะ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 มันหลอดนะพวงหลงมันหลอดอมันใช่ไม่ได้แล้วพ่วงหลงพ่วงหลงไม่ใช่ไม่ได้มันหลอดจ้ะมันไม่เกี่ยวกระทบต่อลโต้นมันเลยไม่ได้ดูดน้ำจากลําโต้นมันหลอดเราไม่เสียพลังงานเลยต่างๆอ่าแต่มันดูดเราไปพวงหลง อ, อ๋อเพราะนั่นเราจะมาสร้างนะอ่าเราจะพาปฏิบัติก <c oughs> ารการทรงศีล เป็นโอทีนํำอย่างดีที่สุดนะหลวงพ่อก็เก็บเ อ, เอวนั่งนา่ก็ได้แต่ก็นั่งได้อะไรแข่งพวกเราได้นะเ็บเอลแต่ไมานั่งแข่งกันนะนะแล้วเด็กก็พอเนาะอ่กขอบพระคุณกับ <c oughs> อะรหังตัมมะตัมวภูภควันตอสวภควจาตมมสติวนโนภควตสากโส